ต่อนนี้ไปขอท่านหลายต้อนใจฟังคำอธิบายในการปฏิบัติสักครู่หนึ่งการเจรเิญพรกรรมาฐานขอบรรดาท่านพระตริษัททุกท่านจึิ่งทราบความมุ่งหมายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระสมพุทธเจ้ทาที่สอนให้เราเจรเิญพระกรรมาฐานและปฏิบัติในพระธรรมวินัย เพราอว the cold, hard, th ่าองค์สมเด็จสจ้าจอมใจบรมศาสดาเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์เกิดมาชาตินี้แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็พัฒไกรจากของรักแล้วก็ตายเนื้อคำว่าตายนี่มันหาที่สิ้นสุดไม่ได้มันไม่สนถ้าเราสร้างกรรมดีกรรมที่เป็นบุญศนก่อนที่จะตายจิตเกาะกรรมที่เป็นบุญศนเราก็ไปสู่สุคติ กำว่าสุขติก็หมายถึงว่าสวรรค์หรือพรหมหรือว่านิพพานเป็นแดงขอความสุขถ้ากำลังใจเราชั่วเท้าหมองจิตใจมีเรียกว่าจิตใจไม่่รงไว้ในความดีคือจิตใจไม่เคอะเในสินหา้าคนดีหรือจิตใจมีความวุ่นวายในการอิจฉาขยายคนดีมีความเดือดร้อนที่ใจสมอง ถ้าตายไปในขนาดนั้นกิจิตเขาก็ไปสู่ทุกติทุกติก็มีนรกเปรตสุริกายสติริชานเป็นตน้นมีการที่อะไรจะเกิดใดๆทั้งความสุขทั้งแต่ลมสวรรค์แดนปางกลางในกระแดนมนุษย์ทกกแดนที่มีความทุกข์คือนรกเปรตสุรกายสติริชานในแดนต่างๆนี้เราก็หายความสุขที่แท้จริงไม่ได้ย่อมทุกติคือสวรรค์หรือลม ถ้าเกิดเป็นพรหมแล้วเป็นเทวดาหมดบุณณามารมีก็ลดอารมณ์ลงมาเกิดเป็นคนก็ยังดีดีไม่ดีก็เลยไปเป็นนรกสัตว์นรกเป็นเปรตสุรกายสัตว์เลี้ยชันเนื้อการเกิดถ้าเราจิตพวกเรายังไม่บริสุทธิ์เยียนใดก็ต้องเวียนไหวใจเกิดในวัฏฏะแบบนี้หาที่สุขที่สิ้นสุดไม่ได้บางใช่ก็เป็นสุขก็เกิดในสวรรค์ด้วยลม บางชายิเขาประกอบด้วยความสุขและความทุกข์กั่วกันคือเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> บางชาติเขาเกิดในใบหญภาผูมีนรกเป็นต้นหาความสุขไม่ได้เลยมีทุกอย่างเดียวอันนี้พระเจ้าทรงควงควายเห็นว่าโมฆะธรรมคือธรรมในเครื่องพ้นจากการวนไปวนมาแบบนี้มีอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงทร้างไปจุดที่ไม่มีการวนอยู่ตลอดการตลอดสมัย แล้วก็มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เจออีอยนเลยหาความหนักใจไม่ถึี่ยงไม่ได้นั่นก็คือนิพพานเมื่อสมเด็จพระยิ่มารทรงทราบอย่างนี้สมเด็จพระหาเนจร น, นำมาหลักสูตรนี้มาสอนกับพวกเราเหล่าพตุตบริษัทมีคนที่จะไปนิพพานได้จริงๆจะต้องมีจิตประกอบไปแบบนี้ขึ้นหนึ่ง รู้จักบริชาจากทางการบุญสมจะเป็นการตัดโลภะความโลภหรือรู้จักการให้การสงเคราะห์แต่ไม่รู้จักการยื้อแย่งลัดขโมยทรัพย์สิสนของบุคคลอืน่นการให้การสงเคราะห์ที่ว่าเป็นการตัดโลภะความโลภจิตเจ้าหมองก็ค่าหายไปจากความโลภแล้วก็เรื่องการที่สองอารมณ์ตัดความโกรธ ความโกรธได้อย่างอยากเขาตัดด้วยสินห้าหรือสิน 8, แปดหอว่าสินสิบหรือสิสองรอยยี่สิบเจ็ดเพราว่าสินนี้ยังมีขันได้เพรอาศัยเมตตาความรักปรนน่าความสงสารและว่าตัดความโกรธอย่างกลางก็ใช้สมีหานสี่หรือว่าตัดสินสี่ตัดความโกรธอย่างสูงสุดก็อาศัยวิปัสสนาญาณร่วมด้วย รวมความว่าประการที่สองแล้วก็หาทางตัดความโกรธย่าอยากตัวทรงฉินให้ได้การทรงฉินไม่ได้ความโกรธไม่หมดไปจะเป็นการยับยั้งความโกรธถ้าจิตจะยับยั้งความโกรธได้บ่อยๆไม่ชาความโกรธเพราะจะลดตัวลงเราจะสามารถจะคุมอารมณ์ที่มีความฝ่อลใสไม่ได้นการเรียกไปนิพัน์ก็ตรงหนึ่ง ตัดความโลภออกจากใจสองตัดความโกรธออกจากใจแล้วก็สามตัดความหลงออกจากใจการตัดความหลงนี่พระพุทธเจ้าแนะนำให้พิจารณาตามความจริง <c oughs> สิ่งที่เราหลงมากที่สุดเวลานี้ก็คือรูปจะเป็นรูปคนก็ดีรูปสัตว์ก็ดีรูปวัตถุ ก, ก็ดีเป็นสิ่งที่เราหลงกันมาก หลงที่ว่ารูปคนสวยมีความสง่าผ่าเผยมีความต้องการในรูปคนหลงว่ารูปสัตว์สวยสดงามมีความสง่าผ่าเผยมีความต้องการในรูปสัตว์และก็หลงในรูปของวัตถุมีความสวยส ด, ดงามอย่างเครื่องประดับเป็นสมเจอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เดียวชหลงก็ <c oughs> ว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุ ก, ก็ดี ไม่มีความสวยจริงสิ่งที่เราเห็นว่าสวยในความจริงมันเป็นของหลอกตาด้วยระดีวัยนอก <c oughs> ภายในร่างกายของคนทุกคนเต็มด้วยความสุขรกโสมมมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสส า, าวะเป็นสิ่งที่น่าเสียดสีโคตรที่สุดแต่ว่าโดยร่างกายของคนจริงๆและก่อนจะถือว่าส่วมเดินได้จะดู ว, ว่าส้วมจะสะอาดกว่า หรือว่าส่วนมันก็ขังของอย่างเดียวคือทิ้งสิงโต โ, โคกูจาร ะ, ะปัสสาวะร่างกายของเราโดยใส่ของสกปรกเข้าปทุวันหาประมาณนี้ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมใจยางว่าไอการที่มจจองร่างกายคนว่าสวยนั้นเป็นการหลอกตัวเองไม่ได้ใช้ปัญญาเพื่อเจะพิจารณาความจริงว่าร่างกายของคนมันสะอาดมนสกปรก ควสวยสดทุกงานของร่างกายคนก็ดีเพราะว่าสัตว์ก็ดีเพราะว่าถู ก, ก็ดีกกดกกดกกดมันก็ดีแต่ใหม่ๆเวลาช่งการนานเข้าไปเท่าไรเ่ความเท้าหมองความทุกข์โศมก็มีมาทุกวันอย่างคนเห็นในง่าย ว, าว่าเป็นหนุ่มหนึ่งสาวก็สวยสดทุกงานล่วมการผ่านไวัเข้าไปความสิกอของร่างกายเหิวแท้ ง, งกบกฏแล้วก็ไม่ดูกัน เราก็ไม่จะไปดูแต่คนที่มีสภาพการตึงพลังแต่คนแก่ไม่ดูนี่เป็นน้ว่าเราก็หลอกตัวเองเมื่อเมื่อแก่มันก็จะหาที่สุดของความแก่ทั้งนี้ก็หาไม่ความเจ็บป่วยไข้ไม่สมบายก็เกิดขึ้นกับร่างกายของคนถ้าเราจะมองคนสวยก็ไปมองคนป่วยป่วยหนักเท่าไรเราก็ไปอยากมองเท่านั้นแม้เป็นความจริงถ้าไม่ดีสุดคนนึ้นเขาก็ต้องตายเราก็ตาย เจ้าของสมเด็จพระจอาไตรยให้ใช้ิ จ, จัญญาหาความจริงว่ารูปได้แค่รูปคนคนดีรูปสัตว์คนดีรูปวัตถุคนดีมีสภาพทรงตัวคือเป็นจังหาความเที่ยงไม่ได้ไ <c oughs> ใหม่ๆมันก็สวยสดชื่งามผิวพรรณฟ่องใสสะอาดดีนานวันเข้าไปทีทีความทุกข์โมก็ย่ำแย่ นี่ความไม่เที่ยงมันเป็อย่างนี้มันไม่เที่ยงแค่พุทธสมยันต์อยูแต่มีการป่วยไข้มันเปนบายปรากฏซึ่งเราไม่ต้องการอนันติสุดก็ตายแล้วเราก็ไปหลงไหลไ่ฝันว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นพวกเราเรามีใ้ร่างกายร่างกายอยู่ในเราแต่ความจริงร่างกายนี้มันมีสภาพมันเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นถ้าเยาะเย้กันไปจริงๆก็คล้ายกับบ้านเช่า บ้านเข้าหมดสัญญาการเข้าเมื่อไรเราก็ต้องไปชั้นใดร่างกายนี้เราเกิดมาเพราะนนานาจตันกิเลสตัญหาวปาทานต่างสมขึ้นคือของเลวสร้างเมื่อของเลวสร้างเราอยู่กับความเลวแล้วก็ต้องมีแต่ความทุกข์หายความสุขไม่ได้แต่หมดสัญญาการอยู่เมื่อไรร่างกายมันก็พังเราคือจิตที่อาศัยอยู่ในกายนี้ก็ต้องไปสู่พบสู่ชาติ สุดแรด้ความดีด้วยความสุเดของเราดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่าทุกคนจงใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงที่เรียกขึ้นว่าวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณนี้ว่ากันจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแค่ยอมรับนับเืียกฎของความเป็นจริงเท่านันเองคนเราที่ทุกอยู่เวลานี้ก็เพราะอาศัยการไม่ยอมรับนับถือตามความเป็นจริงชอบหล่อชอบโล่งชอบหลอนใจกับใจของตนเอง การนี้จิตเจริญเด้่ก็มมฐานให้ได้ดีก็ต้องตัดสินใจตามที่องค์สมเด็จพระจีนสีทรงสรอนว่าเราจะไม่ยอมรับนักผีคือไม่ยอมหลงไหลฝ่ายฝันในรูปสียงกลิ่นึกสัมผัสใดใดทั้งหมดพยายามค่อยๆลดจิตทีทีน้อยๆน้อยไม่ใช่วันเดียวจะตัดหมด ถ้ามันยังตัดไปไม่ได้จริงๆก็ตั้งใจเลยว่าจะนาหาความถึงว่าร่างกายที่มันไม่ดีตรงไหนบ้างหาความไม่ดีมาให้พบเมื่อพบความไม่ดีก็คิดเลนว่าชาตินี้มันมงเกิดมีร่างกายก็มีมันจะกินก็ให้มนกินมันจะนอนก็ให้มันนอนมันจะหนาวก็หาเครื่องอุ่นให้มันหะคมันร้อนหาเครื่องเย็นให้มัน ถ้ร า, าร่างกายนี้พังมาเลยแล้วร่างกายประเภทนี้เราไม่องการมันดีหน้าเราก็ไม่ทำการมนุษย์เป็นโลกคือว่าโลกเราเป็นโลกจุดที่เราต้องการมีจุดเกี่ยวคือวิญาณถ้าตัดสินใจอย่างนี้ไว้ทุกวันทุกวันเราก็จะมองเห็นความโลภเป็นของสลบกความโกรธเป็นของสลบกความหลงเป็นของสลบๆเป็นสิ่ง ท, ที่น่าสิอนสุด แต่เาเห็นร่างกายผู้เราก็ดีร่างกายผู้คนอื่นก็ดีมีสภา พ, าพเป็นชาติตกกันได้แล้วก็เบื่อหนักแต่เบื่อร่างกายเมื่อไหรก็ไปนิพพานเมือนั้นหรือเวลาสามนาทีตอนนี้ไปขอแนะนําผู้ปฏิบัติใหม่สําหรับท่านที่มาปฏิบัติใหม่ให้ตั้งใจตาม น, นี้เ <c oughs> วลาที่นี่เราใช้คําาวนาวันมะพะทะ เวลาให้ใจเข้านึกวะนะมะเวลาให้ใจออกนึกวาพระทะได้เวลาที่ภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจก็ดีปล่อยใจตามสบายสบายไม่ต้องทำสมาธิให้สูงทำสมาธิเบาๆแบบสบายๆและก็ขณะที่ภาวนายอยู่รู้ลมหายใจเขาออกอยู่จงอยานึกอยากรู้หยากเห็นอะไรทั้งหมด ถ้าไปอยากรู้อย่ากเห็นเข้าวันนี้ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเพราะจิตมันช้ารักษากำลังใจเป็นปกติคือว่าการที่ภาวนาอยู่ว่าต้องการให้จิตทรงตัวเมื่อจิตทรงตัวแบบเบาๆที่เรียกกันว่าอุปจารสมาธิอารมณ์ปมาธิเมื่ออารมณ์จิตเป็นที่เกิดขึ้นย่อเห็นภาพสีเป็ทิพย์ย่อมได้ินเสียงที่ได้ อั น, นการเห็นการรู้เนี่ยการเห็นนี่เขามาจากคาว่าทิพ ย, ย์กุญญาทิพย์กุญญายนี่ไม่ใช่แปลว่าหลูกตาเป็นทิพย์เขาแปลญานี่ก็แปลว่ารู้แปลว่ามีความรู้ทางใจคล้ายตาธิตเหมือนกับที่บรรดาท่านหลายนั่งอยู่ที่นี่แม้แต่ถามว่าบ้านของท่านมีรูปร่างลักษณะอย่างไงทุกคนตอบได้หมด บ้านของท่านคาสีหรือเปล่าท่านตอบได้บ้านของท่านมีลูกร้างเรื่อสีสันมันณ่าสดสมแบบไหนเป็นตึกหรือเป็นไม้ท่ตอบได้ที่ตอบได้นี่ทังท่านนั่งอยู่ที่นี่ธราม่ด้เห็นบ้านของท่านแต่ว่าใจมันรู้ข้อนี้มีประมาชั้นใดแม้ที่ประนเจ้าปัญญาเป็นการอันดับแรกถ้ายายาพิสุทธิ์มันรู้จักใจมีความรู้สึกถูกต้อง ถ้าสมาธิดีขึ้นการปตัดอารมดีขึ้นก็จะเห็นภาพภาพจะแปลกดจงนี้ชัดเจนนะถ้าการตัดชิ้นใจนั่นแนวแนวว่าการเกิดเป็นทุกจริงแต่เป็นทุกจริงตายเป็นทุกจริงการทักท่าของรักของทักใจเป็นทุกจรเราไม่สนใจกับร่างกายมีอะไรมันนั่นภาพเห็นได้แจ่มใสมากฉะนั้นขอ ง, งรบรรดาท่านพุทธบริษัททราบตามนี้ แล้วก็ขณะที่ภรณาจุญญาเห็นอยาญ า, าเห็นนะท่านใจเห็นหรือไม่เห็นไปได้หรือไม่ได้วันนี้ก็เป็นเรื่องไม่เป็นเวลาที่ผู้แนะนําเข้าไปแนะนำท่านตอนนี้ไปจะหยุดทาแนะนําสักครู่หนึ่งถ้าบังเอิญมีเสียนทุกญาณเคลิกขึ้นมาจาเพิ่งดิ้นตา <c oughs> นั่นเป็นเวลาที่ผู้แนะนําจะเข้าไปแนะนําท่านถึงหน้าของท่าน ทุกคนได้ปรากฏว่ามีคนไปนั่งพันนาวเวลานั้นให้หยุดครรมวนาเสียและก็ไม่สนใจกับหลวง ใ, ใจก็ออกปล่อยใจสบายๆแล้วหลังจากนั้นถ้าคนผู้แนะนำเขาแนะนำว่าอย่างไงตัดสินใจไปทำนั้นหมายความก็ว่าอะไรเป็นทุกคนนี้ใครเห็นว่าทุกจริงๆอะไรเป็นสุขก็จิตใจแค่ปัญญาพิจารณาพิจารณามันสุขจริงไหมสุขจริ ง, รงแล้วก็บอกว่าสุข แด้ต่อที่นี้ไปผู้บรรดาเป็นพุทธบริษัทหลายตั้งกายให้ตรงจำลอง จ, งจิตให้มันสำหรับท่านใหม่สมุดรู้ลมให้ใจกระบอกให้ใจขาดในวันนั้นะมาได้อ่อนในวันท้ า, าสำหรับท่านที่ปฏิบัติได้แล้วอันดับแรกต่อปาวันนี้เป็นอันดับที่สองครูจะพาท่านแนะนําท่านไปเที่ยวต่างๆนิพพานพุทธโลกและวก็ส ว, สยยยวรรค์สันนักปียโยมเนรมนุษย์แดนเศรษฐกิายเป็นต้น ในตอนนี้ก้ามรดาท่านพระตรีสาว้สนให้รวบรวมกําลังใจใช้คำมนาตามที่กล่าวมาแล้วในใจจับพระรูปปเปโฉม อ, องค์สมด็จพระทิพย์แกวให้ชัดเก่งแจ่มใสอาจทาได้อย่างนี้การท่องเที่ยวบริษัทต่างๆท่านจะต้องแที่วมากใตอนนี้ใสขอทุกท่านเริ่มปฏิษัทได้สำหรับบรรดาญาโยมพระเดชบริษัท ตั้งใจมาบำเพ็ญหุศลในวันมหาป ว, วรณาเนี่ยก็พร้อมใจกันมาเจริญพระกรรมฐานอันนี้ก็ขอบันดาทุกท่านในตัวคิดว่าเรามีชีวิต ร, บรอบๆพรรษาอีกสรราหนึ่งซึ่ของพราพุทธเจ้าไอ้หนูเดี๋ยวนี้จะปล่อยเด็กเล่นมันจมังกัด เจอพระพุทธเจ้าสันนิษว่าชีวิตติดเป็นของไม่เที่ยงเด็กความตายเป็นของเที่ยงไอ้นี่เรื่องสําคัญนะชีวิตเราเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงดังนั้นคำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคิดว่าที่เราเว้นจากความตายอยู่ได้ตลอดปุส า, สาก็ชื่อการดีแต่ว่าชีวิตนี้มันจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้ แต่วันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องตายนี่เรื่องสําคัญของวิถีชีวิตอารมณ์คิดถ้าเราคิดไปอย่างนี้เสมอแล้วก็พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเจริญมรณานุทติกรรมฐานผู้ที่เจริญมรณานุทติกรรมฐานไม่มีอานิสงส์มากคือหนึ่งนึกนึกขึ้นความตายเป็นอารมณ์จะเป็นคนมีไม่มีความหวัดวันในความตาย ใบรายการอีกสองมนุษย์ถึงความตายเป็นปกติเราก็ไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนคราวนี้เราจะไปทางไหนเราทราบอยู่แล้วว่าการตายเนี่ยมันตายแล้วสภาพมันไม่ศู์มันพังแต่ร่างกายแต่จิตใจไม่ได้พังไปด้วย ในเมื่อจิตใจไม่พังไปด้วยตามพระบาลีที่สมเด็จระสัมมาัิพย์เจ้าทรงจัดว่าจิตเตสังฤทธิเททุกขติปาริกังขาแต่ก่อนที่จะตายให้จิตใจของเราเศร้าหมองเราก็ไปเกิดในอบายภูมิเมื่อไปเกิดในสัตว์นรกเป็นเปรตและสุกายเป็นสัตว์เดชานอิตเตะัสงฤทิเถรสุขติปาิกังขา เมื่อกอนจะตายถ้าจิตใจเขาเรามีอารมณ์ผ่องใสล้อมไปนในสิ่งที่เป็นกุศลก็ไปสูส่สุคติสุคติที่นับไต่เป็นสามชั้นขึ้นหนึ่งเทววัณสองพมโลกและสามนิพายนี่ในเมือ่อบรรดาลท่านพุทธบริษัทก็เห็นคนอื่นเขาตายอยู่แล้วก็ต้องคิดว่าเราจะต้องตายแตนน่บันดาลท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มาในวันนี้ถือว่าเป็นผู้ทรงอารมณ์จิต ด, ดีอย่าง จิต ด, ดีเป็นพิเศษที่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะที่มาวัดนี้จะไปวัดไหนก็ได้แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มานี่ส่วนใหญ่คือทั้งหมดเป็นคนมาจากที่อื่นมาจากต่างจังหวัดแต่ความจริงวัดของท่านอยู่ ใ, ใกล้ก็ีแต่ว่าท่านลุงสามาที่นี่เราแสดงว่าจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทนี้มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างยอดเยี่ยม ความจริงถ้าจะว่ากระทื่งบุญทำที่ไหนก็เป็นบุญแต่จะว่ากําลังใจของท่านนิว่าในเมื่อเราเป็นออกศารษาก็ควรคิดว่าให้กิเลสมันออกไปซะด้วยยังได้ตั้งใจมาเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสําหนักจะเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี้จะพูดถึงอานิสงส์ให้ฟัง เอาแค่เยอยอดประจํา ง, ง่ายๆถ้าหากว่าท่านหลายสามารถทําจิตเข้าถึงอณิกะสมาธิคําว่าคานิกะสมาธินี่แปลว่าสมาธิเล็กน้อยอย่างตกคู่หนึ่งข้างหน้านี่ทางธนกตีจะแนะนําให้ท่านภาวน า, าวันมะปะทะโดยการกําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเวลาให้ใจเขานึกวันะมะละ่าย ใ, ใจออกนึกว่าพระ ใครใช้คำภาวนาเป็นแค่นี้แต่ว่าท่านทําเอานานไม่ได้หาใจเข้านึกปัญญานะมาไอเอออรนว่าพระพระได้รอบสองรอบออกเพราใจเดือดลอยไปสู่ที่อืน่นบางทีวันนึกได้ดึงเข้ามากลับจับเข้ามาใหม่ว่าณนะมะวะทะได้คำสองคํหายใจเข้าไปที่อื่นก็แล้วอย่างนี้ท่านเรียกว่าปารีกะสมาธิไม่ใช่ไม่มีผลเลยมีผล ท่านที่สามารถทรงอารมณ์ได้อย่างนี้มันดึงมาบ้างลอยไปมากกว่าเข้ามาหมายความภาวนาน้อยกว่าจิตลอยเขาเรียกว่าคณิกาสมาธิผลเร่ยนคณิกาสมาธิถ้าเวลาจะตายอารมณ์มันชินอยู่ในคณิกาสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยจิตก็เป็นกุศลถ้าตายจากคนก็เป็นพิวดาเช่นกามาวาจรสวรรค์แต่ว่าจะไม่สามารถจะเลือกได้ทุกโภมนะ จะเริ่มได้จะเพราะท่านเรียว่าจะเพราะจิตช่านใดท่านหนึ่งตามกําลังของจิตอันนี้สมมติว่ากําลังจิตของท่านสูงกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเวลาภาวนาไปนึกใช้ใจเข้านึกวันละมา้าใจอ่อนนึกว่าพร ะ, ะพระภาวนาไปภาวนาใจใจสบายสงบส ง, งัดแต่ว่าไม่สงบเลยทีเดียวโอ้ที่เสียงภายนอก ใจก็สบายสบายอยู่สักครู่หนึ่งประเดี๋ยวหนึ่งสักสามนาทีสองนาทีในจิตก็เลื่อนลอยไปสู่เรื่องอื่นบ้างแล้วดีกว่าที่พูดนาทีนี้ที่นั่นก็ดึงอไปก็ไปดีกวมาตอนนี้มีจิตเรียกว่ามีลมชันบายบ้างปรเดี๋ยวก็สั้นไปก็สั้นไปนี่ก็มันได้แล้วก็จับลงให้ใจใหม่ภาวานาใหม่ภาวนาไปภาวนาใจจิตก็เป็นสุขจลสักครู่หนึ่งสองสามนาทีก็ไปเที่ยวอีกแล้ว อย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตเป็นอุปจารสมาธิถ้าถึงอุปจารสมาธิที่เรียกว่าสมาธิปังกลางขนาดนี้ท่านบอกว่าจบกามาวจรสวรรค์หมายความว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยทวดาวหกชั้นเนี่ยเราจะไปอยู่ชั้นไหนก็ได้สามารถจะอยู่ได้ทุกชั้นตามความป ร, ปรมารถนาของเรา คำว่ากำลังจิตก็มัดาแต่พุทธบริษัทดีกว่านั้นอีกนิดหนึ่งคือนั่งไปสักชั่วโมงหนึ่งแต่วันดีสักสองนาทีคาว่าดีสองนาทีที่หมายว่าจิตสงบสงัดจริงอารมณ์สบายปลอดโปร่งหูดีเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสแต่ภาวนาภาวนาในแบับสบายไม่ลาคาในเสียงอย่างนี้ถึงจะว่าจิตเป็นชายขั้นต้น เรียกว่าปฐมฌานเป็นข้าวปฐมฌานเท่านี้ถ้าท่านตายจากความบุญคนท่านก็ไปเกิดเป็นพรหมนี่รวมความว่าการที่บรรดาท่านพุทธบริษัทมุ่งหวังมาเจริญสมถกรรมฐานอิทธิศนากรรมฐานเทว่าก็โดยส่วอย่างน้อยที่สุดอารมณ์ของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็เข้าถึงการมาวจรสว่างคือเินเทวดาได้ถ้ากําลังใจเป็นชายก็เข้าถึงพรหมได้ก็ถือว่าชีวิตคนท่านมีกําไรในการเกิด ที่ท่านเกิดมาเป็นคนแล้วถ้าตายจากความเป็นคนเป็นคนดายก็ถือมีกําไรมากอยู่แล้วถ้าตายจากคนบางเอืญเกิดเป็นผงก็มีรำไรมากอย่างนั้นแต่ว่าวสมเด็จพระสัมมาทัตเจ้าทรงต้องการให้บรรดาท่าพุทธรรบริษัทไปนิพพานเลยจะต้องม่ตะกัดมาเกิดแนวทางเริ่มต้นที่จะไปนิพพานก็ใช้อารมณ์ง่ายๆอารมณ์ของพระโสดาบัน ความจริงแหะอยากจะสอนให้มากไปกว่านี้แต่ว่าต้องการน้บรรดาสมภูมิฉัตรยึดกําลังให้ได้เสียก่อนที่ถ้าเป็นบรรโสดาบันได้แล้วก็บาปอาุปสมณต่างๆที่ทำมาแล้วในการก่อนทั้งหมดไม่มีโอกาสจะให้ผลเทียวบาปไม่สมัยสา ม, มารถให้ผลได้แล้วตายจากคราวนี้มันจะเกิดได้กับความเป็นคนหรือเป็นเทวดากับผมเท่านั้น เรื่องจะเป็นสัตว์ในโลกเป็นเปรตเปนจุลกายเป็นสติสัมไม่มีเพราะคุณชาคุณธรรมของพระโสดาชุดคันไว้กันไม่ให้เราลงนรกสำหรับพระโสดาบันทํำยังไงพระโ ส, สดาบันแช่ลงง่ายๆคนหนึ่งมีความคิดล่าไม่เป็นมารในชีวิตคนหนึ่งเราจะต้องตายแน่ชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงมันจะมันจะตาย อ, อมันตายจริง มันจะว่ามันจะตายเมื่อไรตายข้าวตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายเวลาไหนตายดนกาลยังไงเราทราบไม่ได้แต่เราทราบว่ามันจะต้องตายแน่ก็เชื่อว่ามันจะต้องตายก็คิดไปเลยว่าถ้าตายคราวนี้น่ะอย่างเลวที่สุดเราไม่ยอมลงอบายภคมสีเกิไม่เกิดเป็นสัมเน r o s c เป็นเศษเป็นสุรกายเป็นสติเยนฉันอย่างเลวที่สุดที่เราเกิดเป็นเป็นคนก็ต้องเป็นคนชั้นดี มีความสุขสม บ, บูรณ์บริสุทธิ์มีปัญญาดีมิฉะนั้นเราเกิดเป็นเทวดาทั้งกลมแต่ว่ากายเกิดให้เราจะไม่ยอมเกิดนานเราจะไปนิพพานหรือมิฉะนั้นเราก็ต้องการนิพพานในชาตินี้เมื่อจิตคิดอย่างนี้แล้วก็สกัดอารมณ์ชั่วถ้าได้ ก, กายเคารพแต่ตพระเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ตามที่บรรดา ญ, ญาโยมสมาทานกินว่าพุทธังสันนัชามิาแปลว่าสาวพระเจา้าขอถึงว่าพระเจ้าเป็นที่สุด ทำมังจรนังกระชามิขอถึงประธรรมเป็นดีขึ่งสังคังตนังกระชามิขอถึงประสงเป็นดีขึ้นนี่เทากล่เราได้วความจริงใจก็ถือว่าทุกท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงในประธรรมจริงในกิจอาลยสงฆ์จริ ง, ร ง, ร ง, ร ง, ง, งได้ทุนหนึ่งละความเป็นเบโสดาบันเราได้หนึ่งละต่อมาก็พยายามรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์คือเรามตระวังสินห้า สินห้าเนี่ยทุกข้อจะต้องขาดด้วยการตั้งใจของเราถ้าเผลอไผลไปมันไม่ขาดนี่คอยตั้งใจรักษาสินห้าบริสุทธิ์กดปองคิดว่านับกันในเวลานี้คือต้นปลายป่วยตายเราจะไม่ยอมละเม่อสินห้าก็คิดว่าเป็นขั้นที่สองที่เราเข้ามาถึงความเป็นประสดาบันนี่จุดเดียวเป็นของ ง, ง่ายๆคือมีรงคิดว่าถ้าตายคราวนี้ เราไม่ต้องการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องการเกิดเป็นส์นัขไม่ต้องการเกิดเป็นสุนัขจุดที่เราต้องการนั่นคือนิพพานจุดเดียวรวมความแล้วห า, ว า, ากา ว, ว่าท่านเคารพในพระพุทธเจ้าในประธรรมในพระอริยสงจริงมีศีลห้าบริสุทธิ์จริงจิตมุง่งผังพระ涅槃จริงเท่านี้ถึะเป็นพระโสดาบัน อารมณ์ใจของบรรดาลแต่ผ้โยบริษัทตั้งแบบนี้จริงๆวันนี้การเจริญเมตตาฐานในด้านมนโนยิธิได้ผล ผ, ล ผ, ล ผ, ลผลุกคนท่านที่แต่ปฏิบัติถ้าทาได้อยู่แล้วเพื่อคือการซักซ้อมแล้วไปฝึกต่อไปได้ไปซ้อปไปใช้ต่อไปในวันหน้าถ้าทุกท่านอารมณ์ตั้งอยู่ในคุณธรรมเขาประสดาบนันอาชันที่ท่านได้จะไม่มีเสี่ยมไม่แจ่มใสยิ่งขึ้นไปตอนนี้ไปก็ขอแนะนําในการปฏิบัติ การปฏิบัติแบบนี้เรียกว่ามาโนมยิธิแปลมีทิพทางใจขอญาตโยมจิมไชยธรรมโวนาวนาาันมะพะทะเวลาให้ใจเข้านึกวันะมะเวลาให้ใจออกนว่าพะทะเวลาที่ท่านท่านภาวนาปล่อยใจสบา ย, บายจะเลี่ยงเล็ดจะให้พลฆะเกินไปหอได้ยินเสียงภายนอกอาจจะเผอ บ, บ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไร เป็นเรื่องธรรมดาของจิตแต่มันเผลอไปนึกเรื่องอื่นพอเรนึกได้ก็ดึงกลับเมาใหม่เวลาที่ภาวนาอยู่จงอยากคู่อยากเึ็นอะไรทั้งหมดถ้าเวลาภาวนาต้องการให้ภาวนาเฉยๆไม่ต้องจิตสงัดเลยทำแบบสบายๆให้จิตมีกำลังได้สมาธิเพราะอารมณ์จิตเป็นทิดถ้าไปเครื่เกินไปจิตก็เลยความเป็นทิพ ลึกกล้าเกินไปจิตก็หย่อนหย่อนไม่ถึงความเป็นทิพย์อยากได้น่น อ, อยากได้นี่ต้องภาวนาสบายๆมันก็ถือบ้างอะไรบ้างก็เป็นธรรมดาและนี้จิตเมื่อมีกําลังอารมณ์ก็เป็นทิพย์ความเป็นทิพย์จะมีได้ต่อเมื่ออาตจามาให้พักภาวนาโชครา ย, ยที่ยายนครีกหนึ่งจะมีคนไปนั่งและนําท่าน เมืปรากฏมีใครไปนั่งขณาของท่านตัว น, นั้นทุกท่านหยุดคำภาวนาเสียและก็ไม่สนใจกบรบลุขกรเขาขออกฟังคำแนะนำของผู้แนะนำพระผู้แนะนำแนะนำยังไงตัดสินใจไปตามนั้นตอนนี้ในอารมณ์เป็นิตเกิดถ้าเขาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีพระพุทธเจา้าหรือมีตัวดาวองค์ใดองหนึ่งมาอยู่สนามมีไหม แต่ความจริงเราไม่เห็นแต่ความรู้สึกว่ามันมีก็ตอ้องตอบว่ามีทันทีาว่าทิศยุคุยานในแปรรู้ทางใจสายตาจิตถ้าตอบอย่างนั้นสองสามครั้งครูผู้สอนเขายืนยนันกำลังจิตก็ดีขึ้นพอกำลังจิตดีขึ้นไอความรู้สึกว่ามีแต่เราไม่เห็นไม่กลับถึงภาพจริงๆ หลังจากนั้นครูนำขึ้นพระจุฬามุนีเจดียสถานความสว่างสวัยจะมีขึ้นกว่าเดิมจะเห็นชัดเจนขึ้นเมื่อถึงพระจุฬามุนีเจดียสถานแล้วครูก็จะนำปฏิพาน์ตอนนี้เราจะเห็นจุดสำคัญว่าปนิพานน่ารักน่าอยู่เพียงใดเร า, รารต่อตอ้นนี้ไปขวัญดาท่าพุทธวิสัตน์หลายตั้งกายให้ตรงดำมุนจิตให้มัน่นสำหรับท่านผู้ใหม่ให้ใช้ขมวนาวันะมวัพชั โดยไหลใจเข้าในวันละมะไหลใจออกในกวระพระสํ า, าสหรับท่า น, นีจะซักซ้อมการท่องเที่ยววิญญาณแปดใกล้ตั้งกําหนดจิตนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสกําหนดใจไว้ในรูปของพระเจ้าเมื่อเวลาครูนําท่า น, นไปไไนี้ไปนั้่ช่องตัวแล้วก็หม่สงสัยตอนนี้ไปขอทุกท่านรับปฏิบัติได้